ก่อนใครเริ่มต้นก่อนเนี่ยนัก็คือผู้ที่อเป็นผู้ที่ตื่นก่อ น, นะอ่ะในสมัยผู้ทัศนการพระมิม่งราหมผ่าคือผู้ที่นับถือหรือพวกเทพเจ้าต่างตามอย่างนี้เนาะบางคนก็เป็นตามตั้งแต่หรือเป็นพรามณโดวยวันน่ะ วันนัก็คือตามตระกูลความก็เป็นกันตามตระกูลฮินดูเขาแบ่งเป็นสี่สี่วันนะดวันนะที่ห้าเขาไม่นักเลยพวกจันทานร์พวกนอกวันนัดตามเอาโศกหรือความผู้ที่แก่แก่นะบางทีก็ เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นหนุ่มท่านรู้ธรรมะแนะต่เรื่อเป็นพระุทเจ้าตอนเี็เพียแค่สามสิบห้าตอนที่ท่านเป็นหนุ่มหมอยู่ก็ตามอระบุโสบางคนก็ไม่ไม่ค่อยศรัทธาเจ้าที่เขาก็ไม่ศรัทธานะแต่เห็นว่าทําไมคนหนุ่มเช่นนี้นะถึงมีคนศรัทธามาก แล้วก็เป็นที่น่าเคารพแก่เปนคนหลายคนหลายคนก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่หลายคนที่พอไม่นับถือก็ใครกลายเป็นใครห า, าช่องทางตำหนิท่านอ่าใครว่าทําไมตําหบ่งโดงเนี่ยอายุยังน้อยอยู่แต่ทําไมไม่รู้จักทําความเคารพนนักบวชหรือว่าผาที่อาวุโสมากกว่าตน ก็ตำหนินะก็หาเรื่องตาหนิเนี่ยอาจจะอ้างโดยธรรมะนะหรือว่าเหตุผลหรือว่าตอนรู้ความเข้าใจอยู่ก็อาจจะสู้ไม่ได้นะก็อ้างว่าตนอาวุโสกว่าอายุมากกว่าเวลาปัญหาแล้วทําไมพระพุทธเจ้าไม่ทำให้เคารพนะแก่ผู้ที่อาวุโสมากกว่าพระเจ้าท่านกบอกว่าที่เราไม่ไม่เคารพท่านน ไม่ใช่ว่าเรามีรู้ว่าเราอายุมากกว่าท่านแต่บางทีความเอาวุฒโสหรือว่าความรู้น่ะวินะัธรรมอยู่ที่ตรงไหนนะท่านก็เปรียบเทียบท่านเหมือนกับลูกไก่ที่ฟักออกมาตัวแรกที่ที่เรียกว่าฟักออกมาจากไข่ตัวแรกตัวนั้นแหละคือผู้ที่เอาวุฒโสมากกว่าความจริงืออื่น คือของจริงคือคนนั้นแหละคือผู้ที่อารมณ์มากกว่าเพราะพระเจาเป็นผู้ที่ฟักตัวเองนะออกมาจากอาวิชาเปลือกไข่เพื่ออวิชาคือความไม่รู้หรือความหลงเป็นคนแรกในโลกใบนี้อันนั้นเราก็เลยเป็นผู้ที่แก่ที่สุดในโลกนี้เป็นผู้ที่เรียกว่าตื่นตื่นเป็นอันดับแรกของโลกใบนี้เพรดังนั้นคนที่ตื่นตามที่ดำแม้มันที่อายุมากกว่าเนี่ยก็ ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าเอาโสดได้กว่าเราเนื่องเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ออกมาจากความหลงออกจากกบิชาได้เป็นบุคคลแรกของโลกนี้นั่นที่จริงนะเราจะเป็นใครก็ดีนะโดยอายุโดยโดยเพศหรือว่าโดยวัยโดยสถานนะอย่างใดก็แล้วแต่เนาะถ้าใครที่เป็นผู้ที่ตื่นออกจากความหลง เป็น อ, ออกจากอวิชชานะได้เป็นคนแรกนะนะั่นน่ะคือผู้ที่เรียกว่าปวดแก่การกราบไหว้เนาะอั้นดังนั้นไม่แต่เด็กนะถ้าเด็กรู้ได้เด็กคนไหนนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีก็ เ, เป็นผู้ที่น่าเคารพเนี่ยน่ากราบไหว้น่าระลึกย่องได้ดนะังนั้นาการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราตื่นออกมาได้เดียวเท่าไหร่นะยิ่งดีนะเวลาที่เหลือหรือวัยที่เหลือของเราเนี่ จะเป็นเวลาที่เนะี่ยมีความสุขแล้วก็ได้ใช้เวลาของเราในเกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นอีกอีกมากมายเลยนะนัะ้นปฏิบัติธรรมนี่นอกจากถ้าเราเห็นคุณค่าของการที่เราลีมตื่นออกมาจากความหลงก่อนวันเวลาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นวันเวลาที่ได้ทาประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมายถ้ามองมุมนี้ก็จะทําให้เรานะี่เรียกว่า เรียกว่ามีจิตเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นเนาะเหมือนพอระพุทธเจ้านะท่านเห็นโทษภัยความใดเหนความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ไม่ใช่แต่คิดถึงแต่ตัวท่านเองว่าเมื่อท่านต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเท่านั้นนะแต่ท่านคิดถึงว่าคนทั้งโลกใบนี้หรือว่าอาจจะมากกว่โลกใบนี้นะ่ะทั้งสามโลกธาตุก็มีการแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดไป ท่านก็มีจิตเมตตาที่จะก็บช่วยกับนอื่นช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เนี่ยหาทางที่จะออกจากความทุกข์ใช่ไหมเมื่อท่านออกเกบความทุกได้ท่านก็ช่วยอีกทั้งวมดสามโลกระทานีให้ออกจากความทุกข์ได้นะตามท่านแต่ก็ต้องตามอิมตีบาลมีของของบุคคลนั้นๆด้วยนะบุคคลนั้นๆด้วยนั้นนี่แล้วจิตที่เมตตากรุณาเนี่ยก็ช่วยสรรพสัตว์เยอะะ แต่บางทีถ้าเรามองในแง่ความไม่ประมาทนะอีกในยะนึงก็คือว่าความไม่ประมาทในชีวิตของเราเนี่ยมันมีคืออะไรความไม่ประมาทในวัยเราจะคิดว่าตอนนี้เรายังเด็กอยู่ยังสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะคงไม่ไปไง่ายๆนะบางทีก็ไม่แน่เนาะบางทีก็ไม่แน่หลายคนที่แข็งแรง ประสบอุบัติเหตุตายไปก็มีบางคนยังทํางานได้ปกติขับไปนอนที่บ้านนะเส้นเลือสนองแต่นะส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็าตายเลยก็มีใช่ไหมความแข็งแรงของบางในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่อีกหลายสิบปีมันก็ไม่แนนะ่ถ้าเราไม่ประมาทในวนัยเนาะเราก็จะเล่งทำความเสี่ยนนะถ้าเราไม่ประมาทในโรคไข้ไข้เจ็บนะว่าเราคิดว่าาจะอยู่นานๆนาน เราก็จะได้ทําความเพียรคนะือถ้าเราไม่ประมาทแล้วเรายังมีชีวิตอีกอีกปีนี้หรคือหลายสิบปีนะเราจะใช้ชีวิตในวันเนะี้ยอย่างคุ้มค่าที่สุดนะพยายามใช้วันเวลาให้มันคุ้มค่าที่สุดนะทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีเนี่ยนะเดี๋ยวเราลองดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับตนเป็นประโยชนกับผู้อือเราก็ยามใช้วันเวลาของเราใี้ ในทานองนี้เนาะนะเพราะว่าคนเราทุกคนมีวันเวลาเท่าเท่ากันนะแต่ขึ้นอยู่ว่ากราจะใช้ในด้านไหนนะใช้ในด้านไหนเราจะใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนีน่จะเป็นสิ่งที่ดีเราลองเอาวันเวลาเรามาใช้ในการรู้สึกตัวไปก่อนที่จริงการรู้สึกตัวเนี่ยนะก็คือการที่เรา ทำความรู้จักความจริงนะ่ของชีวิตและขณะที่เรารู้สึกตัวนะนะ่การพูดการกระทำเนี่ยมันก็จะไม่ผิดศีลไม่ทำบาสนะง่ายๆคือขณะที่รู้สึกตัวเนี้มันก็เป็นการทําความดีแล้วก็เป็นการทําความดีแบบมีปัญญาเลยนะ่นะคือไม่ใช่ทําดีทําบุญแบบติดบุญแบบไม่มีปัญญานะ่นะถ้าเราทําแบบรู้สึกตัวนะ เพราะว่าอะไรบางคนทำบุญติดบุญทำบุญหวังราาหรือบางที่ทำบุญหวังความสุขจากสวรรค์ <c oughs> จากเรียกว่าพรหโลกก็มีแต่เราจะทำบุญแบบไม่ติดบุญอันนี้คือเราพยยามมีสตินะเพราะที่จริงถ้ายัมีสติเนาะความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะรู้ทันความคิด แล้วจะไม่ตกเป็นท่าของความคิดนะความคิดเกิดขึ้นอ่ะดูแล้วว่าคิดไม่ดีอ่ะไม่ทําตามความคิดหนระือบางทีความคิดที่ดีเกิดขึ้นอ่ะดูแล้วว่าคิดดีแต่บางทีก็ไม่ใช่การะเทสาที่จะทําก็วางไว้ก่อนเนะี่ยให้เป็นคนที่ทําทําดีกิจการะเทศาต้องมีนะบางทีก็ต้องอุเบกขาบ้างต้ไงมเนี่ยไอ้เรื่องวันนี้นะมันจะค่อยๆได้ คำอบตัวเองเนะแล้วหลวงพ่อขกิตเขาบอกว่าแค่เริ่มต้นด้วความรู้สึกตัวเนี่ยนะท่ามกลาง ก, าก็รู้สึกตัวถึงที่สุดก็ความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยเด็ยเป็นทั้งเบื้องต้นท่ามกลางาแล้วก็ที่สุดนะของของพงศ์าจารน์ก็ได้เนานะถ้าปภาษาพระรนในพระเจ้าท่านมันมีวินยัยข้อหนึ่งนะวินยัยท่านบอกว่าอา่าพิสูจ เนะี่ยที่มีสติเต็มที่นะเป็นพระาราหันเนี่ยท่านเรียกว่าไม่ต้องปรับอวบัติแล้วเพราะว่าท่านตรวจให้เป็นผู้ที่มีสติเป็นวินยัยมีสติเป็นหน้ารอกรับวนะไม่ทําผิดสิ่แน่นอนละนะผู้สุดที่เป็นพระาราหันนะไม่ผิดวินัยแน่นอนนะเพราะว่าสติรักษากายวิจาแล้วก็รักษาใจนะ เบื้องต้นนัสติของปุตตส่วนนี้ก็รักษากายวาจาตัวใจยังคุ้มซ่านใจยังคิดนแต่ยังน้อยพอเรารู้ทันความคิดนะรู้ทันจิตใจของเรามันก็จะไม่ทําการความคิดเนาะกายวาจาก็เริ่มบริสุทธิ์เริ่มเป็นปกติเรียกว่าเริ่มมีสิ่งสิ่งเนี่ยคือเนี้ยีสิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าสัสิทธิ์ที่จริงสิ่งก็เหมือนคล้าย ตายศีลนายโยนะตายศีลใช่ไหมตายศีลคล้ายๆเขาเชื่อว่าตายสยศีลมันป้องกันผีที่จริงมันสมมุติที่เขาเชื่อนะเพอที่จริงก็เหมือนกับความจริงนะที่จริงถ้าพอเรามีศีลนะมันต้องป้องกันสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดี <c oughs> นะถ้าโดยฟิแนลเขาสมมุติก็มีตายศีลนะป้องกันผีไม่ให้ผีเข้ามาในบริเวณนี้ที่จริงพอเรามีศีลนะมันก็ป้องป้องกันสิ่งไม่ดี มาสู่ตัวเราเนี่แหละนะสิลมันเป็นแบบนั้นมัอนใจสิ่งที่ป้องกันป้องกันกายว่ายใจใจให้เราเรียกว่าไม่ทําชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วเนี่ยสิลงเป็นแบบนี้นะสิลที่ป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆมากระทบกับจิตใจแล้วในทางที่เรียกว่าเป็นทางอบายทางตกต่ำมีสิลงแบบนี้นะอเริ่มต้นก็สิ่จากการที่เนี่แหละ ตั้งใจรักษาตั้งใจสร้างสตินะนะอันนี้คือจะเริ่มเป็นศิ่งนะเมื่อเรามีสติได้ไบ่อยๆรู้สึกตัวได้ไบ่อยๆที่จริงสมาธิมันก็มีอยู่ทุกครั้งที่มีสติกันนะแต่พอรู้มากๆนะมันก็มั่นคงขึ้นนะมากขึ้นสมาธิที่จริงเหมือนกับเหมือน น้ำป่าอะโยมหรือว่าน้ําที่ฝนตกเยอะๆนะพอฝนตกหนักๆฝนตกเยอะๆมารวมกันก็เลยกลายเป็นน้ำน<ม>นํำน้ําที่ไหลมารวมกันก็มีกําลังน้ําฝนเป็นแค่หยดสองหยดนะหรือว่าตกปบบโปรยๆนะก็แค่ชุ่มชื้นนิดๆหน่อยแต่พอฝนตกรวมกันเยอะๆนะมันก็มีกาลังมากขึ้น ไหลพัฒนาเป็น ต, ต่างได้สมาธิก็คือกำลังของจิตเนี่ยแหละที่มันมีกำลังมากขึ้ น, นสมาธิมี ค, ความตั้งมั่นหรือว่าความมีกำลัง <c oughs> หลับสบายไหมีนะ <c oughs> ไม่ต้งกินยานอนลับเท่ให้หับได้อไรนะตามวัายุนะเดี๋ยวเอันวายุขนาดนี้คงดับแบบไรนนี้เหมือนกันนะท้องตื่นเนาะครยอ้อมาแล้วเนาะตย่อนไปได้นะไม่เป็นไรนมแต่กินคนสูงอยุอาจจะพักผ่อนบ้านก็ได้นะกลางวันถ้าเราอยู่บ้านก็ ที่นี่แล้วก็ปฏิบัติเอาไม่ได้ <c oughs> แต่อยู่ที่นี่ก็พยายามนะรู้สึกตัวดี้ะนเด่ยวบางทีอย่างอย่างมาดูหลวงพ่อนะ <c oughs> เป็นหลวข้่อมาสิบสองปีนะ <c oughs> แต่ก่อนหลวงพ่ อ, ขอเขียนนะก็จําวัดนะก็ปกติเหมือนพวกเรานะสองสามทุ่มนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อยนเวลาจําวัดนะบางวันนี่ก็ค้า ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหนึ่งทุง่มไม่ไม่เกินหนึ่งทุ่มหรอกถ้าไม่ไ ม, ไม่มีการเดินทางนะอืก็พออยู่มากขึ้นก็พักผ่อนมากขึ้นหรือบันทีแต่ก่อนอฉันเข้าเสร็จส่งเพราะไปทํางานเดินทางแต่ตอนนี้ก็มาพอยี่สักหน่อยก่อนพ อ, อทางนองหาเสร็จมันกระเพาะมันทํางานนะอ่ะก็ให้ไกายเกิดอื่นมันได้พักผ่อนให้กระเพาะ ให้กับพ่อมาทํางานมากที่สุดก็ได้พักนอนหลับบ้างก็เป็นตามกําลังของกายนะะไม่ใช่ม่วงเพราะว่านิวรณธรรมมันข้อ ง, งาําจิตนะแต่ม่วงเพราะว่ากายมันมันล้านะตามสังขาร น, นะบางทีคนมุ่งนะบางคนปฏิบัติทำแล้วทำไมเรางมุงมากเลยบางทีเยอก็ไม่ต้องตกใจนะัยิ่งบางทีพวกเราเป็นคนทํางานบางคน ทำงานดึกนะตื่นเช้าพักผอนไม่พอความเพียรของกายมันก็ธรรมดามากนะอย่าไปกังวลบางทีความเพียรเกิดขึ้นเพราะกายเราพักผ่อนไม่พอร่างกายเราไม่สบายอย่างเนี้ยนะนะมันก็ม่วงมันก็เพียรธรรมดานะแต่บางทีความเพียรของจิตนะมันมันก็ม่วงเหมือนกันแต่ครั้นี้มันมีทั้งความเรียกว่าความเบื่อนหน่ายเลยนะ เอมันมันจะมีจิตที่จริงถ้าเราสังเกตดีๆนะถ้าเราสังเกตความเพียรของตายนะที่มันเป็นแค่กายเรื่องลวนเลยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแบบไม่มีแรงเหนื่อยแบบไม่มีกำลังนะมันไม่ไหวเพราะว่ากายมันไม่ไหวฝืนไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นความเพียรของจิตจิตนึนง่วงจิตมันดนนิวรณ์ครอบงำเนี่ย มันไม่ได้ไม่มีกำลังแต่กายนะใจก็ไม่มีกำลังแต่ถ้าเป็นความเพียรของกายที่กายมันง่วหรือกายมันล้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าใจมันยังไหวอยู่แต่กายไม่ไหวนยังยังรู้สึกว่าไหวนะใจนะแต่กายไม่ไหวก็สุ้ปืนไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นความเพียรของของจิตเนี่ยกายก็ไมยไหวนะใจก็ไม่ไหวมันเป็นสิ่งที่มาครอบงำจิตใจ คล้ายๆเนี่ยเราก็สังเกตรลยถ้าเราเห็นอ้อโดยท้ายมันยังเป็นเรื่องของกายที่ยังไหวอยู่เนี่ยแต่อาจจะเป็นเพราะเกียรกายทำงานลน้าร่างกายไม่สบายก็พัก่อนบ้าง น, นะ้ต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ดูคืบางทีเราก็ช่วยบ้าง น, นิดหน่อยเนาะบางคนใหม่ๆอาจจะรับหนา หาท่าทางหาสถานที่ที่ช่วยให้เราได้คลายมีการฝึกตัวเต็มที่นะอ่าอันาที่จริงนะทางข้าเสร็จเดินจบคบดีย่อยอาหารย่อยอาหารนะทานข้าวอินมกลิ่นเดินจอาหารก่อนไอ้มาก็ชอบเดินทางข้าเสร็จก็เดินใจอาหารอ่นานั่งนิ่งๆแล้วมันมันย่นอยอาหารไม่ค่อยดีเท่ากัเดินอ่า บางทีศาสนาบางคนเป็นป่าธรรมง่วงมากเขาก็ใส่อดอาหารบางคนถูกจจดีแบบนี้นะอดอาหารถ้าสมาธิมันดีมีบอมันน้อยฟุ้งซ่านก็น้อยนะง่วงก็น้อยนะจิตตั้งมั่นได้ดีเพราก็อดอาหารอดอาหารบ้างนะแต่ก็หร บ, บางคนการลดอาหารทานน้อยๆก็รู้สึกว่าจิตมันมันได้กำลังดีนะ อันนี้ก็แล้แต่บุคคลนะแล้วแต่บคุคคลแล้วแต่ว่าเราสะดวกที่จะทํำไหมแต่ถ้าเราต้องไปทํางานทุกวันเปิด อ, อาหารนี้อาจจะไม่ไห ว, วนะเนี่ยแต่ถ้าจริงจรมีชีวิตอยู่ที่วัดนะไม่ต้องทําแท้แรงอะไรมากบางคนก็ลองปดดูสองสาวันเอาจากความโม้งน้อยคว า, ามฟุ้งซ่านน้อยการวลาพักก็น้อยลงไปนเพราะมันเรียกว่าอาหารมันน้อยลงมันก็ สงบขึ้นนะก็ช่วยได้ก็ช่วยได้เราก็ดูดพยายามดึงตาได้นะพยายามอย่าอย่าดับตายิ่งง่วงไม่ต้องดึงตาไม่ใช่ตอนป็นอนนะแต่ตอนนอนดับตาแม้บางทีก่อนนอนมันไม่ง่วงล้วก็ปฏิบัติดับลับตาไปดีกว่า ลืมตาเพื่อนกินจะตื่นขึ้นไปล้วหลับตาแล้วก็ทำเครื่องเครื่องข้ไปเราปฏิบัตินั่งสักครู่หนึ่งก่อนนะแบบไปไปเดินไนทำกระับกระเชมได้นะมันก็จะตื่น พอกายกระทบกระเทะจิตก็จะตื่นตัวนะยิ่งง่วงยิ่งอ่อนช้อยยิ่งช้าเนี่ยเสร็จนะตกอะไรเนื้อยกไปขึ้นบางทีก็ตั้งแก้บางทีทําเวาดังแรงจะทําเพื่อแก้นะไม่ใช่ทําเพื่อให้ติด บางคนพอทำแบบนี้มันสนุกดีเพลิน ด, ดีก็ติดทำด่างแรงบางคนต้องทุกทุกตัวตลอดเลยคนเดินก็คือเท้าทืาอเทาทือเทาหารู้ไม่ว่า น, นั้นคือความติดความความรู้สึกแบบชัดอีกแบบนึ่งที่ความรู้สึกตัวนะชัดหรือไม่ชัดนะไม่ใช่ประเด็นสําคัญแค่รู้แค่รู้สึก บางครั้งมันชัดบางครั้งไม่ชัดไม่เป็นไรเท่าที่รู้สึกได้